ดูปฏิกริยาทางใจการฝึกดูปฏิกริยาทางใจในขณะถูกกระทบคือต้นทางนำไปสู่การเห็นจิตของตัวเองและต่อยอดเป็นการเห็นว่าไม่มีตัวเองอยู่ในจิตขณะ น, นี้หากมีคนแปลกหน้าเดินปรีเข้ามากระแทกเสียงด่าดุดันใส่หน้าคุณจังว่าใ้ตัวสวย คุณจะรู้สึกอย่างไรงงงนันชุนกึกหรืออยากด่าสวนกลับไปทันทีถ้าหากทันทีนั้นคุณคิดว่าเขาด่าผิดตัวก็อาจงงงันผสมโมโ oh หคือแค่ไม่พอใจที่อยู่ดีๆก็ถูกด่าแต่หากทราบว่าคนด่ามีความจงใจยัดเยียดข้อหาให้คุณแบบถูกตัวแน่ๆคุณคงไม่แค่โมโ oh ห แต่น่าจะเจ็บใจด้วยอยากด่ากลับด้วยการเริ่มฝึกดูปฏิกิริยาทางใจนั้นเริ่มจากการทำความเข้าใจไว้แม่นๆว่าปฏิกิริยาทางใจย่อมไม่เกิดขึ้นเองลอยๆแต่เกิดจากการโดนสิ่งใดสิ่งหนึ่งกระทบเสมอจะเป็นรูปเสียงภายนอกปรากฏกระทบหูตาก็ดีหรือจะเป็นความคิดภายในผุดขึ้นกระทบใจตนเองก็ดี เมื่อถูกกระทบย่อมเกิดความผิดแพกทางใจซึ่งก็มีให้สังเกตแค่สองลักษณะหลักๆคือกระเพื่อมไหวขึ้นเป็นความรู้สึกดีกับกระเพื่อมไหวขึ้นเป็นความรู้สึกแย่ความรู้สึกดีกับความรู้สึกแย่แยกออกได้เป็นหลายประเภทแต่ที่คุณควรใช้สังเกตว่าเป็นการกระเพื่อมไหวทางจิตคือความรู้สึกที่มีความพิเศษขนาดน่าติดใจหรือน่าขัดใจ ความรู้สึกดีๆที่มีความน่าติดใจดึงดูดให้รู้สึกเสน่หายอมใจให้เคลิมหลงหรือกระทั่งกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาทางเพศเราเรียกว่าราคะความรู้สึกแย่ๆที่มีความน่าขัดใจผลักไสให้อยากออกห่างน่าระคายใจชวนให้หงุดหงิดหรือกระทั่งเกิดปฏิกิริยาอยากทุบตีอยากทำลายล้างตัวต้นเหตุเราเรียกว่า ท, ที่ย่อหน้านี้ลองถามตัวเองว่าลมหายใจเป็นอย่างไรอยู่ลากเข้าระบายออกหรือว่าหยุดสงบถ้าลมหายใจขาดห่วงไปเพราะเห็นความโคง้งความเว้าอันบาดตาหน้าพิสมัยหรือซอกมุมหน้าค้นหาที่ดึงดูดใจให้เกิดความวาบหวามขอให้พิจารณาว่ารู้สึกทั้งหมดอย่างไร ก็ น, นั่นแหละที่เรียกว่าเป็นปฏิกิริยาทางใจในทางราคะราคะที่เกิดขึ้นเป็นไปได้สองระดับใหญ่ๆระดับแรกคือเกิดขึ้นชั่ววูบที่ภาพกระทบตาแล้วหายไปเมื่อละสายตาจากภาพระดับที่สองคือเกิดขึ้นแล้วติดใจใคร่ตรึกนึกต่อแม้ละสายตาจากภาพแล้วก็ยังคงคิดถึงไม่เลิก การคิดไม่เลิกนั้นอาจเป็นการตรึกนึกถึงภาพติดตาหรืออาจเป็นการจดจำความรู้สึกบาดใจใกล้จับต้องอันเป็นผลจากที่ตาเห็นรูปยำยวนนั้นนั้นปฏิกริยาทางใจแบบนี้มักลามไปเป็นปฏิกิริยาทางกายก่อให้เกิดอาการทางกายร่วมด้วยซึ่งสังเกตก็จะทราบว่าเมื่อใดปฏิกิริยาทางกายเกิดขึ้นเมื่อนั้น ราคาจะดับยากแล้วความแรงของอารมณ์ประเภทอยากเห็นให้หมดหรือไม่ก็ความยืดเยื้อของอารมณ์ประเภทอยากจับต้องสักทีเมื่อสั่งสมมากแล้วก็มีพลังขับดันให้ทำอะไรแบบคนหน้ามืดขึ้นมาได้คุณสามารถรู้สึกถึงพลังขับดันดังกล่าวได้อย่างชัดเจนในตนภาวะทางอารมณ์ใดเป็นที่รู้สึกได้ชัด ในทางวิปัสสนาถือว่าภาวะนั้นนำมาใช้เป็นเครื่องฝึกรู้ฝึกดูได้หมดนับเป็นของดีทั้งหมดไม่ควรทิ้งคว้างให้เกิดขึ้นแล้วหายเปล่าทั้งหมดวิธีฝึกรู้ราคะและโทสะจะเหมือนกันคือหนึ่งยอมรับตามจริงว่ามันเกิดขึ้นการยอมรับจะทำให้มีสติอยู่กับความจริงตรงหน้าส่วนการปฏิเสธ จะทำให้การรับรู้ไม่ตรงกับความจริงหรือไม่รู้กระทั่งว่าความจริงตรงหน้าเป็นอย่างไรเลย 2. ส, สังเกตแยกแยะให้ออกว่าราคะหรือโทสะที่เกิดขึ้นนั้นเกิดวูบเดียวและหายไปหรือเกิดขึ้นและคิดต่อยืดเยื้อส ไม่ว่าจะกินเวลาน้อยหรือกินเวลามากให้สังเกตความรู้สึกของตัวเองหลังจากราคะหรือโทสะหายไปรับรู้ว่าเป็นอย่างนั้นกายใจต่างจากขณะเกิดราคะหรือโทสะที่ล่วงไปแล้วในทางวิปัสสนาเมื่อฝึกรู้อยู่อย่างนี้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างโดดเด่นที่สุดคือรู้สึกถึงความเป็นจิตมากขึ้น เห็นจิตไม่เที่ยงเดี๋ยวมีราคะบ้างเดี๋ยวไม่มีราคะบ้างเดี๋ยวมีโทสะบ้างเดี๋ยวไม่มีโทสะบ้างบางครั้งกิเลสปรากฏเหมือนภาวะอะไรอย่างหนึ่งที่วูบมาแล้วว่าบหายแต่บางครั้งก็เหมือนกิเลสจะมียางเหนียวยึดเหนียวครอบงาจิตใจได้เนิ่นนานบางครั้งจิตเหมือนเป็นอิสระเปิดแพ่และอยู่สบายของมันดีด แต่บางครั้งจิตก็เหมือนถูกจองจาอุดอู้และกระสับกระส่ายไม่เป็นสุขผลของการเห็นว่าจิตไม่เที่ยงก็เหมือนเห็นลมหายใจไม่เที่ยงคือรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่บุคคลเราเขาไม่ใช่ชายไม่ใช่หญิงไม่ใช่สิ่งที่ควรถือเอาว่าเป็นใครสรุปแล้วอารมณ์พิเศษในทางดึงดูด และอารมณ์ผิดปกติในทางร้ายเหมาะกับการนำมาใช้ฝึกดูปฏิกิริยาทางใจเพื่อนำไปสู่การรู้สึกถึงความไม่เที่ยงของจิตปัญหาคือเมื่อเกิดอารมณ์พิเศษในทางดึงดูดหรือเกิดอารมณ์ผิดปกติในทางร้ายใจคุณมักถูกอำนาจความเคยชินครอบงำเหมือนถูกกระชากลากถูให้แล่นออกไปหาหรือทลาออกไปโต้ตอบ ดุดคนถูกถุงครอบปิดหูปิดตาแล้วจิกหัวให้เสียหลักถล่มไปข้างหน้าโดยไม่อาจตั้งตัวไม่อาจมองเห็นวิธีต้านทานนี่เองเป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมคุณจึงควรมีภูมิต้านทานแรงกระทบเป็นหลักให้ตั้งตัวเอาไว้ก่อนโดยการฝึกที่จะรู้สึกถึงความไม่เที่ยงของลมหายใจเหมือนเช่นที่ผ่านมาแล้ว ซึ่งเมื่อเกิดภูมิต้านทานเพียงพอเวลาถูกกระทบก็จะไม่กระเพื่อมหนักจนเกินกำลังสติรับรู้ไม่ถูกกระชากให้เล่นไปหาหรือทลาไปโต้ตอบแบบฉับพลันทันทีตามอำนาจความเคยชินความสัมพันธ์ระหว่างการฝึกดูลมกับการฝึกดูปฏิกิริยาทางใจมักเป็นเงาตามกันดังนี้ หากดูลมหายใจได้เรื่อยๆก็มีสิทธิ์เห็นปฏิกิริยาทางใจได้เรื่อยๆหากฝึกดูลมหายใจมาในแบบเคยชินที่จะยอมรับความจริงก็มีสิทธิ์เห็นปฏิกิริยาทางใจตรงตามที่มันเป็นเช่นกโกรธแล้วร้อนก็รู้ว่ากโกรธร้อนกโกรธแผ่วๆก็รู้ว่ากโกรธแผ่วๆไม่ใช่ทําเป็นไม่โกรธ หรือทำเป็นโกรธน้อยๆเพื่อรักษาภาพหากฝึกดูลมหายใจมาในแบบที่คุณแล้วว่าไม่ใช่ทุกลมหายใจที่มากับความสุขไม่ใช่ทุกลมหายใจที่มากับความทุกข์เห็นแต่ว่าเดี๋ยวก็สบายบ้างเดี๋ยวก็อึดอัดบ้างเป็นธรรมดาเอาแน่เอานอนไม่ได้ดังนี้ก็มีสิทธิเห็นปฏิกิริยาทางใจกระเพื่อมขึ้น แล้วลดระดับลงเป็นธรรมดาไม่ปลื้มใจเมื่อเห็นปฏิกิริยาดีๆไม่เสียใจเมื่อเห็นปฏิกิริยาแย่ๆเช่นกัน